ว, ว่าไงไหมครับเกี่ยวกับชุทันกับสมุทานะแล้วก็มิสกะเอาสมุทานะแล้วกันเพราะไอ้ตรงนั้นเป็นของสมุทานะทั้งหมดเลยทั้งทั้งสามอันโอทานะสมธทานะแล้วก็มิสกะอะไรมันเป็นของสมธทานะาทั้งหมดเลยต้องไปดูความแตกต่างนะครับไปดูความแตกต่างถ้าไม่ดูความเพราะนั้นจึงต่างกับอาคาไหครับต่างกับสมุทานะสมุทานะนั่นต้องรู้ว่าเราต้องใช่ไหมครับรู้ว่าเราต้อง รู้ว่าเราปิดด้วยคือจําลาตีได้ใช่ไหมครับจําลาตีไม่ใช่รู้ว่าเราจําลาตีที่ปิดได้แน่นอนเลยแล้วรู้ว่าตัวไหนมันปิดนานที่สุดด้วยวเมื่อบอกอย่างนี้แล้วสงเอนพระวินัยทอนก็บอกอ้าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมประมวลตัวที่เอเอตัวที่ปิดไว้น้อยที่สุดนะหรือเริ่มปิดไว้ตัวที่น้อยทั้งหมดลงไปในตัวที่มากแล้วผมจะตรวจจะให้ปริวาสแก่ท่าน จำนวนเท่าที่จัวที่ท่านปิดไว้ที่มากที่สุดเพรา ะ, ะนั้นมันจึนต่างกันแล้วครับใช่ไหมครับสุดทันกับกับสมุทานะต่างกันอันนี้รู้เลยรู้เลยว่าปิดกี่วันใช่ไหมครับมไม่รู้ว่าต้องกี่ครั้งแต่จำวันที่ปิดมากที่สุดได้แบบนี้นี่เข้าสุดทันเลยจะจําได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งเลยแล้วเราจะจําได้ยังไงว่าว่าไอ้ตัวไหนมันปิดนานที่สุด เกิดรู้ว่าตัวนี้สิบวันแต่เดี๋ยวมันจะมีอีกเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ไม่ไม่เข้าไปเวลาอยู่แล้วเธอระลึกตัวใหม่ได้ว่าตัวนู้นานกว่าอย่างนี้ก็อยู่ต่อไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ยังสุดทันอยู่อย่างนั้นเองใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่รู้ทั้งหมดเอาแล้วกันอย่างนี้เอาเอามันไม่ใช่รู้ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่อะคาโซมธานนี่ต้องรู้ทั้งหมดเลยตัวนี้สามวันตัวนี้ห้าวันตัวนี้สิบวันตัวนี้ใช่ไหมครับรู้ แต่ตัวที่นานที่สุดของผมสิบวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะสมมุติว่าเราขอสิบวันเราก็เราก็สวดมาตั้งแต่หนึ่งตันสองคือมันหลายตัวใช่ไหมครัสมมติว่าหลายตัวเอ๋อสมมุติไม่ได้อะค้ามันต้องหลายตัวอยู่นะมันต้องหลายตัวตัวเดียวไม่ได้รวมรวมรวมลง ม, ม, ม, ม, มาในในตัวสุดท้ายใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวท่านจะตอบไปอีกท่านจะแนะนําอีกว่าอย่างนี้ว่าเออในในการอยู่ปฏิวัติที่ที่อยู่แล้วไม่ออกอยู่แล้วไม่สําเร็จนะครับ ตัวที่ที่ที่เธอพริกสูอา่าต้องแล้วปิดไว้ต้องแล้วปิดไว้แต่สำคัญว่าไม่ได้ปิดเธออยู่ปริวาติก็ไม่เป็นอายุใช่ไหมครับต้องแล้วปิดไว้สิบวนันเธออยู่ปริวาตน้อยกว่าสำคัญว่า 9, า้าวันแปดวันอะไรนี้ก็ <S <S ไม่เป็นอายุแต่ตัวที่เธอสำคัญว่าไอ้เธอเธอต้องไวห้วาวันแต่เธอสำคัญว่าสิบวันเธออยู่ไปสิบวันออกใช่ไหมครับ นะครับกับกับกันอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้เวียนไปเรื่อยๆทั้งหมดเลยในในในในในปริวัต ท, ทั้งหมดนะครับในปริวัติทั้งหมดแต่สุดทันปริวัตินี่แปลกขอปริวัติสองเดือนนะครับสมมุติอย่างนั้นขอสองเดือนขอสองเดือนนี่หมายความว่าวินัยทอนสอบสวนแล้วเธ อ, อบวชมาหนึ่งปีมาต้องอบัตรช่วงนี้เองช่วงที่มาบอกเรานี่สองเดือนช่วงนี้ยเราจึงให้นะครับให้ปริวัติสองเดือนไปแต่พออยู่ๆไปอีกละลึก โอ้คงไม่ใช่หรอกมีตัวหนึ่งมากกว่า น, นี้อีกอ่าแล้วลึกได้อย่างนี้ไปบอกกับหลงอีกครับหลงให้อยู่ไปเลยครับอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอีกอยู่ใช้ตัวนู้นไปด้วยอยู่ไปเลยไม่ต้องชวนใหม่อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปแล้วลึกได้ไหมอีกเอ้ยผมไม่ถึงอี ก, อกตัวนูน้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับน้อยลงมาขึ้นอ่าเธอถอยกลับลงมาถอยกลับลงม า, อ ย, งมาอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นต่างกันเยอะเลยในลักษณะอย่างนี้ก็อธิบายว่าอย่างอัคคสโมทานนี้อ่าต้องร้อยตัวอยู่สิบวันพ้นได้ ครับเขาตั้งกระทู้มาอย่างนี้นะครับแล้วอธิบายว่าเอาตัวที่มากที่สุดเพิ่มสิบวันนี่ก็จมีที่ร้อยตัวใช่มันอาจจะร้อยตัวแต่โอ้ยจะให้จําทั้งร้อยตัวเหรอครับจะจะให้จําั้งร้อยพันตัวก็ต้องจํำพันตัวถ้าท่านจะเข้าอาคัสมวทานครับใช่ครับอันนั้นอาคัสมถานหมายถึงว่าตัวที่มากที่สุดท่านต้องจําได้แน่นอนต้องตัวที่มากที่สุดเลยครับ ตัวที่มากที่สุดแต่ถ้าอาสมมุติว่าท่านท่องตัวให้มากที่สุดสิบห้าวันแต่เวลาท่านนั้นท่านขอมาแค่สิบวันไอตัวที่ปิดไปหนึ่งวันสองวันสามวันสีวันจนถึงสิบวันนะครับออกเหลือตัวสิบห้าวันเหลือตัวเดียวไม่ออกครับไม่ออกตัวนั้นยังไม่ออกนะครับไม่ออกเลยอย่างสมมุติว่าจําได้ละสิบห้าวันครับถูกต้อครับแต่ตัวเล็กเล็น้อยบางทีจําวันมันไม่ได้อืสมมุติว่าร้อยครั้งอะเงี้ยอาจจะรู้ว่าเออมันมากครั้ง อ่าจำวันที่ลุยไม่ได้ไม่เป็นไรปิดไว้น้อยไงครับครับปิดไว้น้อยกว่าไอตัวที่มากสุดครับครับตัวน้อยกว่าก็จำสิบ้าวันได้ก็ใช่ได้เพราะเราเวลาอาคามันขอตั้งไงหนึ่งสองลามจนถึงสิบห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาอาคาท่านยึงอธิบายว่าตัวภายในนี่มันถ้าครบจํานวนแล้วมันออกหมดเลยแต่ถ้าไอตัวที่ยังไม่ถึงนี่มันไม่ออกมันออกไม่ได้เพราะไม่ถึงเพราะนั้น ถ้าถ้าเธอจําตัวไหนมากเธอต้องไหว้ไล่มาจากนั้นโนูนมาจนมาถึงตัวมากครับใช่ไหมครับจนถึงสิบห้าวันนะครับจนถึงสิบห้าวันจนถึงปักหนึ่งนะครับปักนึงใช้ปักนึงเลยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ต้องอย่างนี้แล้วพระเจ้าแสดงปักนึงเลยเพราะเพราะงั้นทำไมมามาเริ่มอย่างนี้พอไปถึงหกปีมีสวดกันตายโอ้โหสวดกันตายเลยใช่หมหกสิบปีก็มีอาอมมีสวดกันตายซะเลยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงใช้จำนวนเต็มเลยใช้จํานวนเต็มทั้งแตนันนนถึงนี่เลยครับไอตัวที่อยู่ในระหว่างอย่างนี้ครับ แต่ตัวน้อยๆนี่คุณ้ายังให้พยายามอยู่งั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปว่าไปเรื่อยจนถึงสิบสี่ตัวครับอย่างนี้ครับเอ๊ไม่ใช่สิบสี่ตัวสิบสีวันครับสิบสี่วันครับแต่คงไปแก้ยากครับอย่างนี้แก้พวกที่เรียนความเห็นอย่างนี้ยากเพราะส่วนมากคนก็ต้องการสบายต้องการน้อยๆต้องการคือคิดว่าการอยู่ดุร้านมันมันแสนทรมานอะไรไปอย่างนน้นครับมันเป็นอะไรไปมันเลยแล้วยีห่หายนึงเขาคิดว่าแล้วแต่อํานาจสงูงจะให้ ผมไม่เจอเลยไม่รู้ผมเคยได้ยินมหาชลอพูดนะครับนี่ไอ้วันก่อนผมกลับเรืออะไรนี่แหละได้ยินพูดนะหรือแกมาพูดในโบสถ์ก็ก็มาหาอะไรตัวเล็กนั่นไม่รู้นะว่าแล้วแต่อำนาจสองนี่ผมถามให้ทำไมว่าอย่างนี้มหาชลพูดแบบนี้ครับอแกบอกว่าถ้าเรายังละลึกได้อยู่เราสมมติว่าเราขอไปสิบวันแต่เราเลือกได้จริงจริงันยี่สิบวันเนี่ยแบบนี้เราก็ต้องอยู่ให้ถึงยี่สิบวันใช่ไหมครับหรือว่า หวันก็ต้องอยู่ห้าวันอะไรเงี้ยว่าไหมว่าไหมลงได้อ๋อเราจะทำแต่เนอ่ยแต่ว่าในกรณีที่ว่าลึกอะไรไม่ได้เลยแต่คิดว่าตัวเองต้องแบบนี้สงสงมีอํานาจแกว่าสงไม่แก่สงประมวลแล้วเอาควรจะให้อยู่สามวันสองวันห้าวันอะไรอย่างนี้นะอันนี้แบบระลึกไม่ได้เลยแต่ถ้ายังระลึกได้ในในจิตในใจอยู่นี่จะทําอย่างนั้นไม่ได้ระลึกได้ยังไงวะแกว่างั้นครับ แต่ว่าในกรณีที่เขานอกที่เขาเข้ากันนี่เขาให้อานาจตรงเลยไม่ถ้าอย่างนั้นยถ้าอย่างนั้นตรงนี้มีไม่ได้จุรสุพธรณมหาสุทธรณตรงนี้มีไม่ได้ถ้าถ้าเอาของมหาชลอเราลองเทียบนะคุณเจ้าบอกว่าให้พระวินัยทอนสอบสวนดูว่าเธอบริสุทธิ์ไหมเดือนที่หนึ่งเธอบริสุทธิ์ไหมเดือนที่สองก่อนบวชใช่ป่าครับไม่ได้ถามว่าต้องเลยถามว่าเธอบริสุทธิ์ไหมถ้าเธอปฏิญาณว่าบริสุทธิ์แค่สองเดือนแต่เธอบวชมาฟรีเธอเข้าไปเลยสิบเดือนคอคุณ สงไม่มีติดกําหนดว่าบุคคลนี้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ใช่การบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นะถ้าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไม่ดีเลยใช้อำนาจสงสวดมันเลยเธอบริสุทธิ์แล้ ว, วลก็เอาหน้าสงมีอยู่นดิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมเพราะเอแก้ไปแก้ไปตัดสินเหมือนเหมือนกับทางศาลศาลตัดสินยังไอย่างนั้นสงเป็นศาลตัดสินเลยเธอบริสุทธิ์เธอก็ไม่ต้องเข้าบริวารเป็นอันว่าเธอออกจากอาบัตแล้วถ้าอย่างนี้ก็มีชอบมีชอบเลย กรณีที่มาจะรบวยย่งนี้ก็ขัดกับไปมหาสุทนันเด้วยขัดกับจุรสุทันด้วยใช่ไหมจุลสุทันจําจําเดือนที่บริสุทธิ์จำราตรีที่บริสุทธิ์ได้แต่ไม่แน่ใจว่าที่ปกปิดในช่วงเหล่านั้นอยู่ตรง ไ, <ม>ไหนถ้าจําไม่ได้เลยแต่คิดว่าตัวเองต้องมันก็ต้องเข้ามาหาสุทันไปเลยครับเออนั่นเองใช่ไหมครับแล้วใช่ยอย่างนั้นไอ้มหาสุทนันและจุรสุทันมีไม่ได้เพราะใช้อํานาจสงหมดเลยเออแล้วก็กรรมวาจาไม่ต้องมีเลย สวดประกาศยันติเลยสวดประกาศแค่ว่าพิกูุนี้บริสุทธิ์แล้วผมเคยเข้ามานั้นไปเลยผมเคยได้ยินจากไหนบ้างบางครั้งนะครับถ้าไปอ่านบาลีแล้วถ้าไม่อ่านถาผมว่าจะรู้อธิบายโดยละเอียดได้อย่างคือถ้าจะอ่านบาลีอย่างเดียวก็ต้องใช้อัตโนมตัติสวมเข้าไปด้วยแล้วก็ถือว่านี่เป็นของพระเจ้าอย่างนั้นก็มีครับไทยอ่านอย่างนี้อย่างเดียวผมว่า แม่ไม่ใช่ของง่ายครับไม่ใช่ของง่ายที่จะตีความเอาเองให้ถูกต้องตามพุทธวันิได้แต่เยอะนะอาจารย์ที่พูดอย่างที่ตันรถวานาครับยังไงก็สงก็ให้ท่านอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกันเนี่ยครับม า, มาตีนี้ผมก็เอาไปพูดเยอะแล้วเนี่ยต้องไปแก้ครับถ้ามีโอกาสเจอเพื่อนเพื่อนที่เราเขาเคยคุยกัน น, นี่แหละเออแน่นอนที่ออกจากมาหาชลไป <c oughs> <c oughs> ทำไมทำไมไปไว้ใจมหาชลอถึงขนาดรับฟังไปขนาดนั้นต้งไปพูดทางโอก็ผมว่ามหาชลอก็รุ่นเดียววไม่ไครับุ่นกอนผมผมไม่ได้ศรัทธาไอตรงนั้นหรอกแล้วศรัทธาตรงไหนวะผมศรัทธาตงเหตุผลตอนนึงที่ว่ามันง่ายดีเรื่องนี้เราเรายังไม่ไ่ไม่ยรู้มาก่อนสองพอมาได้ยินเสร็จแล้วก็ยกอะไรขึ้นมามีดีบขั้นมาด้วยหนังสืออะไรถานวิดีโอแล้วก็มาเปิด เราไม่เรีกไม่รู้ใช่ไหมครับเราฟังมาเออมันก็ต้องเอาไว้ก่อนทำนองเนี้ยครับชานเดี๋ยวอันนี้หนีมั่นใจวิโอก็เสียบเสียดขั้นพันเลยบรรยายเลยต่ลถฟังโมเมกาถาไปเลยแล้วแล้วมัเป็นยังไงนะครับส่วนมากไม่ใช่ว่าผมคนเดียวครับอ๋ทั้งหมดนะนะส่วนส่วนมากคือคือคือคืแกเป็นหัวหน้างานด้วยแล้วก็ได้ยินน้องหายังไม่ต้องถามว่าประโยคไหนใช่ไหมหรือยังไม่ต้องถามว่าได้ศึกษามาหรือยังอะไรไม่ต้องจะไม่ได้ถามก็เห็น แล้วก็เห็นหนังสือแกก็การวิสีก็ชักโอ้โหยรัทธาแลเพื่อนเนที่มาจากวัชนารุ่นเดียวกันปอสีด้วยกันนะครับอเวลาพูดถึงมาฉลองก็บอกโอ้ท่านค้นคว้านั้สือท่านมีอย่างโน้อย่างนี้ท่านของปอหนึ่งสองหนึ่งบวกเก้าท่านอ่านไม่พ้อหมดเลยอ่านหมดแล้วออ่านน่บอกมันหมดเลยอ่านอ่านหมดแล้วไอ้ที่แปลกันแล้วน่ะแต่ว่ายังไม่ได้แปลต่อเพ่อนั้นเองอะไรแล้วอะไรเงี้ย มันไม่ใช่ว่าอ่านครั้งเดียวแล้วนั่นนะครับบางทีมันต้องหลายหลายรอบครับหลายหลายรอบบางทีเราอ่านบาลีอ่านนี้ผ่านไปครั้งที่หนึ่งก็ไม่ค่อยพิเศษอะไรครับคือคืออ่านครั้งที่หนึ่งมันจะอ่านรู้เรื่องไปทั้งหมดแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามที่สี่ทห้าครั้งที่สิบมันจะเทียบเคียงกันว่าตรงนี้กับตรงนู้นอ่ะ มันจะมันจะชักใหญ่กันแล้วครับมันจะสืบเนื่องเหตุผลมันจะรับรองกันที่นี่กับที่โน่นที่โน่นตรงนี้จะปฏิเสธที่โน่นเห็นไหมตรงโน้นบอกไว้ลอยๆแต่ที่นี่จะปฏิเสธอีกคือมันจะฝ่ายมันจะชัดใหญ่กันได้แล้วครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังอาจารย์ใหญ่ที่ทามโอ้จึงบอกอย่างนี้ว่าผู้ที่เรียนคัำพีอ่ะไม่ยากเลยเรียนแล้วเดี๋ยวก็ทันกันทันกันทันกันเรียนคัมภีนี่ไม่ยาก องหนึ่งเรียนมาทีขั้นนี้กายอะไรอไรสังยุตสังยุตทรงอย่า ง, งอะไรกันมาเรื่อยๆเดี๋ยวรุ่นน้องก็ไอๆลูกศิษย์เราเนี่ยมันก็ตามมันขึ้นขึ้นมาทานันไม่ยากอย่างนี้ไม่ยากมันเป็นไปโดยธรรมชาติมันต้องตามกันทันครับแต่ผู้ที่จะเปรียบเทียบคำภีรเนื้อธรรมในคำภี์เหล่านั้นนะนะไม่ใช่ของง่ายครับไม่ใช่ของง่ายแม้นี่เราเราในเรื่องเดียวกันเราจะเปรียบเทียบยังยังไอๆบรรยายนี่เรายังยังนิดหน่อยอยู่แล้วยังไม่ใช่ของง่าย แล้วถ้าจะเปรียบเทียบจากคำพี์นี้ไปสู่คำพีรนู้นจากอ่ะอัตขานี้ไปสู่อัตขานู้นจากสูตรนี้ไปสู่สูตรนู้นเอามาประมวลกันแล้วก็เป็นเหตุผลจะอธิบายคนฟังนี่ไม่ใช่ของง่ายตรงนี้ครับตรงนี้ตรงเนี้ <c oughs> ต้องเป็นผู้ที่ใหควรครับครับต้องโคงแก่เรียนก็คืออ่านบ่อยๆเฉพาไม่ใช่ไม่ใช่อ่านเล่มนี้เคยอ่านแล้วไม่อ่านละไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นว <c oughs> ่าซเลยอไม่พอครับหลายเล่ม คือมันหลายเล่มหมายถึงหลายคัมภีร์นี่แหละแต่ในหลายคัมภีร์ก็เคยอ่านไปหมดแล้วทุกคัมภีร์เลยจบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วจบแล้วไม่เว้นสักตัวนึงอย่างนี้ก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่ว่าอ่านเทียวเดียวแล้วก็หยุดจะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมีโอกาสอีกก็อ่านอีกมีความสงสัยอีกก็อ่านอีกคือยังอยู่อย่างนั้นเองมันก็จะเห็นข้อเปรียบเทียบเห็นข้อโยงใหญ่กันกับเล่มนี้กับเล่มโน้นหรือในเรื่องเรื่องนี้กับอสูตรนี้กับสูตรโน้นเรื่องนี้กับเรื่องโน้นอะไรอย่างนี้ครับ อยู่ท่ามอวิจารย์จะพูดบ่อยๆนะครับอพูดบ่อยๆว่าผู้เลี้ยงคำพีก็ไม่ใช่ของยากแต่ผู้เปรียบเทียบคำภีได้ก็ไ ม, ไม่ไม่ใช่ของมีง่ายนักไม่ค่อยมีมากนักไ ม, ไม่ไม่มีไม่มากนักเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมผ ม, ผมพูดเอกมาหาสุทันตรงนี้นิ่นเพิ่มเติมที่จะจะได้ไปไปไปไปคานกับไอกคาของมหาชชรอว่าอํานาจของสงมัอย่างมาหาสุทันนะครับเออ ถ้าต้องละพี่สุผู้ผู้ผู้พราะฉะนั้นพี่สุพูจะออยู่ปฏิวาตินี่ครับจะจะจะขอปฏิวาัติกระทำความศรัทฐาคือตกลงใจว่ากําหนดลาตีเราไม่รู้เลยถูกพระวินัยทอนสอบถามอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องขอปฏิวาตไปตามจํานวนวั น, วนเดือนปีที่ตัวเองบวชมาสมมุติอย่างนี้นะครับแต่ในขณะที่เข้าไปอยู่ปฏิวาติแล้วก็ คือมันอาจจะมีเวลามีอะไรขอบคิดได้มากกว่าตอนที่พระแมในทอนสอบสวนนะฮะก็แล้วลึกถึงอดีตได้เห็นชัดเลยว่าเดือนนี้ปีนี้อะไรอย่างนี้เรายังไม่ต้อ ง, องรเราบริสุทธิ์มาถึทันหดลงได้อย่างเดียวยืดกันเลยอะเพราะมันมันติดเวลาบวชเลยใช่ไหมครับจากฝ่ายจากนี้ไปถึงบวชมันมันจึงหดลงมาได้ถ้าเรานึกว่าบริสุทธิ์มันก็หดลงมาเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับแต่จุลสุธันนี่มันอาจจะครึ่งหนึ่งแต่พอขอครั้งแรกครึ่งหนึ่ง พอไปอยู่ไปท่านวิจิโอ้ยนู่นไหนก่อนบวชเดือนนยวอายืดไปถึงถึงก่อนบวชเดือนหนึ่งอยู่ๆไปโอ้ยไม่ใช่หรอกครับถอยกลับมาอีกเจ็ดเดือนอะไรอย่างนี้ครับมันยืดขึ้นหดลงอะไรอย่างนี้ได้จูรัสสุธันยืดยืดได้หดได้มาหาสุธันหดได้อย่างเดียวนะครับตกลงได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยไม่เี่ยวกับหน้าสงใช่ไหมครับไม่ไม่เกี่ยวกับมาหน้าสงไอ้สองก็ให้เฉพาะปริวาทอย่างเดียวปริวัติอย่างเดียวจานวนที่เธอจะปกปิดนั้นเธอต้องเป็นผู้ระลึก ต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองล่ะนี่ครับไม่ไม่ด้เกี่ยวกับอำนาจสงฆ์นะครับไอ้ต่อไปสมโอธานะสมโอธานะปฏิวัติที่สามอย่างนะครับโอธานะสมโอานะอัคคะสมโอธานะแล้วก็มีสกัดสมโอานโอธานะสมโอธานะก็คือจริงๆแล้วก็คือมูลายะิธิกาศนาใช่ไหมครับแต่มเพียงแต่ในในปฏิวัติที่กําลังประพฤติอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาอย่างฮะโอธานะสมโอธานะรวม รวมอวบัตดตัวใหม่ลงลงในตัวเก่าใช่ไหมครับโอธานะสมอธานะรวมอวบัดตัวใหม่ลงในตัวเก่าแล้วก็มาอคาสมอธานรวมลงในอวบัตดตัวที่มากที่ไอตัวที่นานที่สุดต่างกันนะครับตัวแรกรวมอวบัดตัวลงในตัวเก่าครับตัวลงในตัวที่กําลังมาพื้นอยู่แล้วก็ขอใหม่เลยแล้วก็มาพื้นขอใหม่เลยขอใหม่แล้วก็มาพื้นเท่ากับตัวตัวเก่านั่นแหละ ครับสมมติว่าตัวเกาสิบวันใช่ไหมครับหลายครั้งในี่สิบวันตัวนานที่สุดคืสบวันแล้วก็แล้วก็ตัวใหม่อาจจะสองวันก็ล้มไปเลยอยู่มาเก้าวันจะดีอยู่มาครบวันที่สิบแต่แต่ไปต้องในภายในวันที่สิบก็ล้มหมดเลยแล้วก็ไปประพฤติมาใหม่แค่กสิบวันเหมือนเดิมครับอย่างนี้แต่อาคาสโมธานนี่รวมก่อนแล้วถึงปาะพฤติใช่นนมครับพอพระมินัยทอนสอบสวนเธอต้องอ่าสุกาวิสันทีครับ ครัง้งนึงปิดไว้วันหนึ่งอีกครั้งห้าวันอีกครั้งสิบวันอีกครั้งสิบแปดวันก็เลยรวมลงในลาตีนนานนัน่นนาลาตีที่ยาวที่สุดรวมลงเลยแล้วตรวดครั้งเดียวเลยนี่ไม่ได้ต้องในระหว่างนะครับไม่ได้ต้องในระหว่างเลยรวมเสียก่อนแล้วจึงสวด น, นะครับรวมเสียก่อนแล้วจวึงสวดทีนี้มิสกรารสมโฐานนี่หลายวัตถุคือหลายข้อเลยหลายข้อเลยปิดไว้ไม่เท่ากันนะหลายข้อปิดไว้ไม่เท่ากัน จะเท่ากันก็ดีไม่เท่ากันก็ดีแต่ตัวไหนข้อไหนมากที่สุดก็เอาลาตีของข้อนั้นเป็นประมาณแล้วก็สวดลงไปนะครับมีสการ์โซมทานนะครับมีสการ์โซโมทานครับอืออือยังครับที่บอกมีบอกบอกเป็นโคตรของโคตรของอาบัตได้ใไหครับอือแล้วเราทําไมต้องมาไม่ใช่ไอ้โคตรนั่นหมายถึงอะไ จะบอกยังไงมันก็ยังเป็นอาบัตตัวเดิมใช่ไหมครับถ้าเราบอกโดยไออาบัตก็มันก็อาบัตทั้งหมดนะใช่ไหมครับถ้าบอกโดยชื่อมันก็ชื่อเจาะจงลงไปว่าสังฆทิเศเสดื่ออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันไม่ได้มาเกี่ยวกับกรรมฐานหมายถึงว่าภิกษุบางองค์อาจจะบอกเฉพาะชื่อบางองค์บอกเฉพาะโคตรบางองค์จะบอกอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่แต่มิสกานี่เธอต้องตัง้งมาจริงๆหลายข้อ ใช่ไมครับสภาพที่ต้องมาต้องต้อ ง, องหลายข้อไม่ใช่เกี่ยวกับการบอกใช่ปะ่ะท่านคิดยังไงวะอย่างนี้ท่านต้องต้อ ง, องมาทั้งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อ่าต้องหลายข้อแล้วประมวลเอาหลายๆข้ อ, อลงมาจะใช้คำไหนขอก็ได้จะใช้นาน า, นาวัตถุกา ย, ยก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ แต่สภาพจริงๆต้องต้องมาหลายข้อจึงจะต้องจึงจะจ ะ, จ, ะจะจะให้เอมิชกาสมโอานใช่ไหมครับขอบเห็นผลนตรงที่ว่าจะใช้คําว่านานาวัตถุกายโย ก, ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ก็แบบวันก่อนไงที่บอกไว้แล้วว่าถ้าหลายๆวัตถุใช่ไหมครับวัตถุก็คือข้อถ้าเธอไม่บอกด้วยขอ้อเธอจะบอกด้วยอาบัตก็ได้ครับบอกโคต ก, ก็ได้บอกชื่อโดยชื่อคือบอกได้สามอย่างบอกโดยชื่อโดยโคตโดยวัตถุใช่ไหมครับ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บอกอย่างใดแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดไ ม, ไม่ไม่แตกต่างเพราะบางอย่างอย่างสังฆทิเศตชื่อว่าชื่อด้วยชื่อว่าโค<ฆ>ด้วยเ<โฆ>พราะตัวมันตัวเดียวมันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวบง่งบอกเน่ความจริงมันก็แค่สภาพของของของสับเหล่านั้นนะีฮยมันจะบ่งบอกถึงอะไรได้แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองกับอ่า ว่าไงมมาาไม่ใช่ไอ้ในนี้ไม่มีคลุกวัาบาเลยนะไอ้นี่ออ่างบันเตอสังอะไรวัสมุลส า, าสังคานิเศสานี่ถ้าใช้คําว่าสังคาดิเศษใช่ไหมครับอ่งางบันเตสัมเอสวัลานาณาวัตถุกาโยเลยก็ได้อ่างบันเตสัมวนาณาวาัตถุกาโยอ่างบันเตสัมวลาอาปฏิโยก็ได้อีกอาบัติก็รวมไว้หมดเลย แต่มันมีอยู่ไอ้ตัวนี้มันมีอยู่ในคำอาบัติด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับมันใช้ได้ทั้งหมดเพราะนั้นจะสวดคําไหนหรือจะขอคําไหนไม่ไม่ไม่สําคัญตรงนั้นไม่สำคัญเพราะเพราะวินทอนสอบสวนอยู่แล้วดูดูก่อนแล้วใชงไหครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้่งนี้ไหมหรือหรือมาเล่าอ้าวผู้ที่ผู้ที่รู้วินัยอยู่แล้วเธอตัดสินได้ตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มาขออย่างนี้ต่างหาครับไม่ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคําสวดอะไรเหล่านี้คําเหล่านี้เลย หมายความว่ า, าพุทยจาอนุญาตทั้งหมดเลยเธอจะใช้คำว่าสังฆนิเศศก็ได้อาปัติโยก็อาปัติก็ได้หรือหรือวัตถุก็ได้เธอจะใช้คำไหนคำหนึ่งบอกมาก็เป็นอันว่ารู้กันละอย่างนี้อย่างนี้นะครับใช้ได้หมดนะครับหมดตรงนะครับตรงนี้เกี่ยวกับมิสกาอะไรอะไรมันจะเป็น ในบาลีมันจะเป็นเอเกี่ยวกับพวกผู้ที่ต้องตัวอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมากมายอย่างอย่างในมิสกะนะครับในมิสกะในมิสกะจริงๆแล้ว เ, เดิมทีท่านอนุญาตอย่างนี้ว่านาน า, นา ว, วัตถุกโยปิโยเอกโตกตวาให้ให้ให้รวมกันไปเลยทั้งอาบัตทั้งวัตถุนะให้รวมแล้วขออย่างนี้ว่าอ่างวันเตสัมโมลาสังฆานิเสชาปิโอาบัตจริง คือหลายวัตถุบอกวัตถุไปเลยทีละ1่วัตถุวัตถุเอกางสุขวิสัท์ทิงเอกางกายสังเอกายสังสักังเอเกงทุตุลวจังเอเงอจักกามะเอกงสัญจริจังเอเงปุติการังเอเงวิหารการังเองทุตุธาโตสังเอเงอัญญะังยังเอเงสังฆเพทกังเองเอเทานุวัตกังเอเงทุกขจังเอกงกุรทุสกังโสหังพันเตสังขังดาสังฆปฏินังสมทานนวสังาจามินะครับท่านอย่างนี้แล้วท่านจะมาบอกตอไปอีกว่า รวมมาเลยเพราะบอกอย่างนี้มันมันมันยาวเธอบางลูกเจ้าไม่บอกอย่างนี้ถ้าถ้าเธอขออย่างนี้ต้องเสดกรรมวาใจอย่างนี้นะครับเธอขออย่างนี้ต้องเสดกรรมวาใจอย่างนี้ที่จะรวมมาเลยรวมไอ้วัตถุเหล่านั้นอะลงไปในนานาวัตถุกายโยได้ไหมได้อีกครับได้อีกเพราะพระพุทธเจ้าอนุญาตไว้อย่างนี้นะครับอ่าอย่างนั้นก็ได้ใช้นานาวัตถุกาโยเลยก็ได้ อาเอาอย่างนี้ว่าพิษกะสมโอทานกับอาคัาสมโมทานน่ะเหมือนกันเพียง <ś m à> แต่ในขณะไอไออาการที่เราต้องมันหลายข้อกว่าเข็มครับเวลาเราบอกอกับพระวินัยทรบอกอกับสงฆ์ที่เราจะ ป, ประกอบพืชมันหลายข้อจึงเรียกชื่อมันว่ามิจฉะนะครับมิจฉะผสมข้อผสมข้อผสมผสมไอผสมครั้งอันนั้นครั้งที่ต้องนะครับฮะแต่ <butcher S 2> แต้องบ่อย อะครับอ่าอันนี้ผสมข้อเพราะนั้นเออเออความแตกต่างมันมันเพราะฉะนั้นมิสะกะมันจึงอยู่ในอักขสมอเอออยู่ในสมโฐานะเมื่อักคะมันก็อยู่ในสมอฐานะเมื่อกี้ท่านพูดไม่ถูกนะฮะท่านบอกว่าข้อเดียวแต่ต้องบ่อยมันไม่ใช่มิสะกหนือนแบบไม่ใช่อักขไงอักขะัเนี่ยอัสมอฐานะเพราะนั้นมันพวกเดียวกันเพียงแต่สภาพที่มันต้องต่างกันนะครับ เพราะนั้นท่านท่านเอเวลาในกรรมวาจาท่านยิงจะบอกว่าอมิจกะก็ต่างเพียงวัตถุเท่านั้นคือต่างเพียงข้อเท่านั้นหลายหลายข้อต่างกันตรงนี้เท่านั้นกับข้อบนนะครับไม่มีอธิบายพิเศษเลยอันนี้นะครับไอพวกปักขามานัทไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับของเราแล้วนะครับปคกามานัทนี่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องสิบห้าวันอะไรเงี้ยปักขามานัทคือมานัทที่สงจะพึงให้แกน่นางพิจุนีผู้ต้องอาบาตสังฆทานิเศษนะครับต้องต้องคารุธรรมคือสังฆทานิเศษนี่ เกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยมันลาบากเนี่ยเวลาต้องอะไรอย่างนี้ก็ประพฤติสองขวายลําบากมากเลยจะกว่าจะบริสุทธิ์นี่มันมันยากกว่าของพระอีกเยอะนะครับยากกว่าเยอะเลยต้องต้องสองขวายด้วยไอย้ต้องต้องสวนสองขวา ย, วายครับแต่ต้องประพฤติกับภิกษุณีสงก่อนแล้วจึงจึงมาหาภิกษุสงเ อ, อในที่ที่ที่ที่นัดพบในที่นัดพบเวลาใจนั้นก็เวลาจะประพฤติก็ต้อง พิจุนีผู้จะส่งข้อนางพิกษุณีผู้ต้องอาบัดนี้ก็ต้องอ่าไปไปบอกพิจุสงว์ว่าวินัยกรรมของพิกษุณีองค์หนึ่งมีอยู่จะต้องทออําขออาให้ท่านช่วยอนุเคะด้วยจะส่งคนอื่นไปก็ไม่ได้ต้องพิกจุนีไปนะครับจะส่งสิกขมนนานา ส, ส่งสมณีนีไปบอกอย่างนี้ไม่ได้ต้องพิกษุนีเนะี่ยเป็นผู้ไปนะไปบอกแล้วก็สงก็จะบอกอาทายอย่งางนั้นเธอไปพบเราตรงนู้น นะครับเวลาเธอจะไปพืชเธอไปพบเราตรงนู้นอ <Türkiye. S 1> ่ะพวกนี้ก็สวดสวดสวกกอนแล้วก็ไปหาสงสงเข้าไปเออนี่บอกสงนะครับส่วนเอในสีมาเสร็จแล้วก็อ่ะทีนี้เริ่มมาประพฤติกับภิกษุนีก่อนที่ประพฤชจะก่อซึ่งนี่แล้วก็คือมาบอกก่อนบอกบอกภิกษุนีที่ที่อยู่ในที่อยู่แล้วก็ไปไกลอรุณก็ไปกันไปบอกตรงนู้นบอกตรงนี้บอกบอกบอกกับภิกษุนีก่อนเสร็จแล้วจึงไป ไอ้พิกษุณีชุดชุดเดิมยังอยู่ที่นี่แต่เธอต้องไปนั่งนั่งในกลุ่มของไม่ห่างจากพิกษุณีนี่แหละแต่บอกภิกสุสง์ให้ได้ยินพิกษุสงอยู่ที่นู่นครับอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้ครับมันยากมันนะเออก ว, ว่าจะนั่นรายก็ต้องมีพิกษุนีผู้รู้แนะนําถึงจะทําได้บอกเสร็จแล้วเธอก็ามาเก็บ เ, เก็บเออหลุดแล้วเธอก็เก็บวัดอะไรอะไรถ้าพิกษุไปหมดแล้วพิษุนีไปหมดแล้วไ ป, ห, วไป ห, วหาบิณฑบาต เธออยู่นี่ไม่มีใครอยู่เลยเธอต้องกลับมาเจอใครก็เหมือนก็ส่งของสงฆ์แล้วครับทีนี้เหมือนของสงฆ์ใจต้องเก็บกับนางพิศนีอะไรนั่นทีนี้เกี่ยวกับพวกพวกอะไรอ่ะตายแล้วอะไรนะ อ, ะอะบวชแล้วสึกอ่บวชแล้วสึกอบวชแล้วไอ้ไม่ใช่บวชแล้วศึกต้องแล้วสึกประพฤติบริวัตต้องแล้วสึกกด็ดีประพฤติปฏิราติค้างอยู่สึกกด็ดีประพฤติอควร ป, ปริวัติครบแล้วสึกกรดีประพฤติมานัดอยู่แล้วสึกกระดีควรอภัน์อยู่คือครบมานัดแล้วแต่ยังไม่ได้ขออภานแล้วสึ ก, กดีไปบวชเป็นสมณีนก็นดีไปอะไรเยอะแยะหลายอย่างหลายหลายประการอย่างนี้ไปเข้าฤกษ์ยาฤกษ์ที่ก็ดีแล้วถ้ากลับมาบวชเธอเธอปริวาติของเธอเสียไหมที่จริงเธอประพฤติประพฤติไปอ่าเสียก็หลังจากที่สมมุติว่าประพฤติอยู่แล้วทีนี้ยัง ยังไม่ครบก็ศึกเชื้อก่อนครับพอสึกแล้วทีนี้ก็กลับมาบวชใหม่อ่แล้วก็เหลือเยอะเท่าไหร่ก็ประพฤติปริวัทนั้นต่อไปเอ่แต่ต้องขอใหม่นะครับ ต, ต้องขอใหม่ไม่ใช่เขาบวชเข้ามาปุ๊บประพฤติต่อไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าอ่าสมมตุติเอาเอาเอาขอเดี๋ยวกาจารย์พิสูผู้ต้องปริวาติไอ้ต้องต้องสังฆนิเศษขอปริวัติแล้วประพฤติปริวัติอยู่ยังไม่ครบตามจํานวนนะครับศึกไปก่อนเธอกลับมาบวช บอกอาการที่เธอเคย <c oughs> เคยทํามากับสงหรือกับพระในนายทรพระวนนายทรก็ให้ปริวาติที่ที่เธอเคยประพฤตินั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนปริวัติให้อย่างเดิมคือสวดให้อย่างเดิมพอสวดให้แล้วก็เอยเธอเอ้ยไม่ใช่ต้องให้เธอขอปริวัติขอปริวัตเดิมนั่นแหละแล้วสงก็อเอเสงก็สวดให้ปริวัตินั้นให้ปริวาติแล้วก็ให้เธอประพฤติวันที่ที่เธอค้างอยู่ไปเพราะนั้นวันที่เธอเคยประพฤติไว้แล้วก็เป็นอันว่าประพฤติไว้แล้ว นะครับแต่อันใหม่มันยังใช้ไม่ได้เพราะนั้นต้องเธอประพฤติต่อไปนะครับแล้วถ้าชักเข้าวหาบัตรเดิมก็เหมือนกันต้องไปเริ่มต้นกันใหม่เลยเธอปฏิการนาอยู่แล้วเธอก็สึกไปแล้วก็ต้องมาเริ่มสวดกันตรงไหนนู่นมานะครับแต่วันที่เธอประพฤติไว้ได้เท่าไหร่ก็เป็นอันใช้ได้แต่ก็ต้องต่อไปเลยอย่างนี้เหมือนกันนะครับควรแก่มันัดหรือควรแกะพันเหมือนกันหมดเลยบ้าก็ดีสึกเป็นบ้าก็ดีเวทนากาก็ดีแล้วศึกไปอะไรอะไร ึกไปอย่างหนึ่งเวทนาก้าอย่างหนึ่งผีเข้าอะไรเข้ารีเดเจ้าระถีอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยเหมือนกัน